ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องค่าของคนอยู่ที่กรรมโดยพ่อท่านพูธีรักเมื่อวันที่22สิงหาคม2535ณพุทธสถานสตีโสกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ อาจจริ่นทำสํานึกดีพวกเราที่ยังใฝ่ธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่นะี่ยอันนับวันที่อาตมาได้ทํางานาศาสนามาอาตมาก็ยิ่งมั่นใจนะยิ่งเห็นความเป็นไปได้และก็ยิ่งเห็นความเป็นจริงแม้มันจะเกิดในกลุ่มที่น้อยๆมาเกิดในสังคม มีบทบาทมีพฤติกรรมจนเกิดเป็นระบบเป็นวัฒนธรรมน้อยๆขึ้นมามีกลไกมีกรรมกิริยามีการงานมีอาชีพมีพฤติกรรมกายวาจาใจแม้แต่ที่สุดมีจิตวิญญาณหรือมี ใจที่มีทั้งตัวปัญญาและตัวกําลังของใจมีกําลังใจและมีปัญญากําลังใจก็คือสภาพของศรัทธาศรัทธานี่เป็นกําลังคนเชื่ออย่างไรคนก็จะทําอย่างนั้นคนเราเนี่ยเชื่ออย่างไรจะทําอย่างนั้นโดยสามัญสํานึกของคนเรานี่นะ เราไม่รู้ตัวเราหรอกว่าเรามีความเชื่อที่ลึกเราจะรู้สึกสามันข้างนอกข้างนอกเพลินๆว่าเราเชื่ออย่างนี้จริงๆแล้วจิตใต้สํานึกมันเชื่อนี่มันเชื่อได้ลึกกว่าจิตนอกสํานึกนี้ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดที่ยังไม่ศึกษาจิตปั ญ, ญญาณไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่ตรวจจิตหรือว่าไม่พยายามที่จะรู้ตนเองจนกระทั่งรู้ว่าตนเองนี่เชื่อจริงๆลึกๆของตนเองมันคืออะไร วพาจิตใต้สำนึกในบางทีมันทำออกมาได้ความเชื่อที่ไม่น่าว่าจะเป็นไปได้นะอย่างเช่น่าคนมีจิตอมมาหิตจิตลึกๆในอมมหิตแต่ข้างนอกสามันสานึกนี่ก็รู้ว่ามันไม่ดีก็พยายามกลบเกลื่อนพยายามบังคับพยายามกดข่มพยายามไม่กระทำออกมาก็ได้นะทได้แต่เมื่อถึงคราวจำเป็นเมื่อถึงคราวที่จะ เกิ ด, ดเหตุการณ์จนกระทั่งมันไม่มีสติสัปชัญญะปัญญาคุ้มครองตนกำลังของปัญญาสติสัพพัญญาอ่อนอจิตลึกๆข้างนอกมันแรงจิตลึกๆขอไปไม่ใช่จิตลึกนอกจิตลึกๆข้างในมันแรงความเชื่อความเป็นจริงเช่นว่าคนฆ่าคนได้นี่เป็นตน้น คนที่ฆ่าคนได้เนี่ยจิตลึกๆข้างในเนี่ยถ้าเพราะว่าเชื่อว่าฆ่าคนแล้วเนี่ยมันไม่ดีฆ่าคนแล้วมันมันบาปมันแรงมันร้ายมันไม่ควรทําอย่างยิ่งเชื่อว่าไม่ควรทําอย่างยิ่งและคนนั้นได้อบรมตนมาจนจิตลึกๆเป็นอนุสัยเป็นอาสวะหรือว่าเป็นแกนของจิตเนี่ยเราถือว่าอนุสัยก็ได้ที่จริงมันไม่ใช่อนุสัยหรอกมันเป็นไปทางกุศลมันเป็นแกนความ ความเป็นกุศลจิตลึกๆ ก, กว่าการฆ่าคนเนี่ยทำไม่ได้ยังไงยังไงก็ไม่ทำทำไม่ได้ถ้าจิตกุศลจิตตัวนี้อยู่ในจิตของใครก็ตามลึกๆนะแม้ตัวจะต้องตายก็จะไม่ป้องกันตัวจากฆ่าคนอื่นจิตลึกๆ ก, ก็จะไม่สั่งฆ่าไม่สั่งฆ่าไม่ทำเด็ดขาดเลยจะเห็นได้ว่าคนที่ไม่ฆ่าใครตอบจนเขาฆ่าตัวเองตายมีเยอะ มีเหมือนกันให้เห็นมันเยอะอาจจะมีไม่เยอะเท่ากับคนที่จะฆ่าคนอื่นตายหรอกนะเพราะว่าคนที่ฆ่าคนอื่นตายเนี่ยเพราะเชื่ออยู่ว่าถ้าเขาจะฆ่าเราเราต้องป้องกันตัวเราต้องฆ่าเขาก่อนอหรือต้องตอบโต้อะไรเนี่ยมันจะมีมีมากเหมือนกันแต่ว่าคนที่เมื่อถึงคราวจําเป็นสุดยอดแล้วอะไรจะมาฆ่าเราเราต้องฆ่าอันนั้นก่อนไม่รู้แม้แต่คนหรือสัตว์ก็ตามเราต้องฆ่าสิ่งนั้นก่อนเนี่ย มีเยอะเพราะยิ่งคนแล้วไม่ฆ่าสัตว์ถ้าสัตว์ตัวนั้นจะฆ่าเราแล้วเราไม่ฆ่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยยิ่งเป็นคนที่มีความเชื่อมีความได้ฝึกปลือจิตใจว่าไม่ทําร้ายอะไรใครแม้แต่สัตว์ก็เป็นเพื่อนทุกข์ลึกซึ้งไปอย่างนั้นนะนี้อาตมาจะประเด็นของความเชื่อของคนมาขยายความอธิบายให้ฟังให้เห็นว่าคนเรานี่ทําอะไรแม้แต่จะถึงชีวิต จะต้องฆ่าเขาตอบเมื่อเขาจะฆ่าเราเนี่ยก็ยังไม่สามารถกระทำได้ถึงปานชนีเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ไม่ถึงชีวิตเนี่ยถ้าจิตได้อบรมดีแล้วเชื่อมีอินทรีย์พระมีกำลังความเชื่อที่สูงในจิตลึกๆแล้วจริงแล้วคนนั้นจะไม่ทำชั่วหรือไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นจริงๆเลยยิ่งอ่อนก่าถึงจะทัขั้นถึงชีวิตแล้วนี่คนเรามันรักชีวิตนี้มากนะ คนเรานี่รักชีวิตกว่าอะไรก็คงจะเข้าใจเพราะถ้ายิ่งอ่อนกว่าการที่จะเสียชีวิตแล้วแล้วก็ถ้าจิตลึกๆเชื่อว่ามันไม่ดีจริงๆแล้วเขาจะไม่ทาได้ก่อนเลยเพราะสิ่งนั้นมันยังง่ายกว่าที่จะยอมแลกชีวิตใช่ไมเพราะคนเรามันรักชีวิตมากกว่าพอถึงขนาดแม้แต่ชีวิตเราก็สามารถที่จะยอมตายไม่ทำชั่วไม่ทำบาป ท, ที่จะฆ่าเขาตอบ หรือทำร้ายผู้อื่นถึงรุนแรงขนาดตายนี่เป็นต้นผู้นี้ความชั่วอื่นที่มันอ่อนกว่าการรักชีวิตการเสียสละชีวิตเนี่ยพราะฉันย่อมจะทำได้ก่อนนะนี่คือความจริงของจิตปัญญามนุษย์มีความเชื่อในใจทีนี้มาดูง่ายๆตื้นๆความเชื่อของคนทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่ แกนข้างในลึกๆเหลือจน ก, กระทั่งถึงสามัญสํานึกข้างนอกเชื่อว่าโลกเรานี่มีความสุขแต่พระเจ้ า, จาท่านตรัสรู้แล้วไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นความทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ความทุกข์เท่านั้นดับไปแต่ผู้จะย็รู้ความทุกข์ว่าคือทุกข์นั้นจะรู้รายละเอียดรอบนั้นจะต้องเป็นเรื่องยากผู้ที่จะได้รู้ว่าความทุกข์คืออะไรนี่ยากมากเพราะว่านัยยะของความทุกข์นี่ลึกซึ้ง ในยาความทุกข์นี่มากมายจะต้องรู้กันละเอียดจริงๆเลยจกนกระทั่งไม่เอาทุติยิตมาแลกความมาแลกกับความสุขที่จะพึงเราอยากได้นจะไม่เอามาแลกเพราะเห็นจริงว่ามันเป็นความทุกข์แล้วก็จะปล่อยให้มันเกิดความทุกข์นั้นหรือไม่ต้องไปมาบ่มเรอตนเพื่อที่จะเป็นสุขเพราะมันทุกข์ บางคนจะรู้ความทุกขู้เจ้าถึงได้ตรัสเอาไว้ซึ่งเราเคยเอามาใช้ว่ามันยากยิ่งกว่ายิงลูกศรจากทางไกลให้ไปเสียบรูกุญแจหนึ่งรู้นีใ่ให้ลูกศรยิงไปเสียบที่รูกุญแจในร้อยดอกจากทางไกลมันยากขนาดไหนการรู้ทุกได้ละเอียดละออหรือการรู้ทุกได้รอบได้ทวนยากกว่านั้น ยังไม่เท่าไรนะท่านเปรียบเทียบก็บถึงขั้นจักเส้นผมออกเป็น100ร้อยแฉกใครจักเส้นผมออกให้เป็น100ร้อยแฉกได้และแต่ให้ใหแต่ละแฉกนี่เท่ากันด้วยนะจักเส้นผมให้เป็น100ร้อยแฉกแล้วให้แต่ละแฉกนี่เท่ากันด้วยมันเป็นความยากขนาดไหนการรู้ทุกยากกว่านั้ น, นการจะรู้ทุกได้ละเอียดละอ่อยากกว่านั้น เพราะการตรัสรู้ของพระเจ้าเนี่ต้องถือว่าเป็นภูมิธรรมของปราฏิที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าก็รู้ว่าคนเรานี่มีสุขมีทุกข์ซ้อนกันแล้วก็มีอยู่ในโลกมีความสุขความทุกข์สองชนิดแต่พระเจ้าเห็นว่าความสุขไม่มีหรอกมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นความทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ความทุกข์เท่านั้นดับไปนะเพราะฉะนั้นถ้าทุกข์ใดที่มัน เราเองเราจะเอาม า, เ, าเราเองเราจะแก้ไขเสียท่านก็บอกว่าไปแก้ไขที่ความลหลงไหลความไม่เป็นคุณค่าอะไรนี่มีเยอะเพราะนั้นไปนลหลงไหลที่จะเอามาแย่งชิงมาบำเรอตนเป็นความสุขนี่ตั้งแต่ห ย, ยาบไปสแสวงหาไปแย่งชิงหรือไปเสียเดี่ยวเสียแรงมาบำเรอตนมันเป็นความโง่เป็นความต่ําต้อยเป็นความไม่เกิดคุณค่าเป็นความหลงเป็นอวิชชา เป็นความโง่เป็นความไม่ไม่ถูกต้องเป็นความหลงผิดนะ่ะท่านในพยายามมาสอนสิ่งที่ถูกทางสิ่งที่ควรจะเลิกละลดล้างออกไปเพราะมันไม่ไม่มีคุณค่าเพียงพอตั้งแต่สอนตั้งแต่หยับหยาบมาให้พิสูจน์จกระทั่งเราเห็นจริงว่ามันไม่มีรถอันนี้ไม่ต้องเป็นมีความสุขได้พิสูจน์ว่าความสุขมันไม่จริงความสุขนี่ท่านเรียกสุขขันธิกะเป็นความสุขความสุขนี่เป็นตัวหลอกหลอกสุขขันธิกะตัวหลอกหลอก แล้วทั้งก็พยายามพาเลิกละมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆอย่างที่อาตมาพยายามนํามาแบ่งเป็นขั้นๆตั้งแต่มันหยาบยาบตั้งแต่ความสุขที่เป็นลหลงไหลได้เสพตั้งแต่อบายมุขไหลเลื่อนขึ้นมาจนหาโลกของโลกกธรรมบ้างกามคุณบ้างจนกระทั่งอัตตาตัวตนที่ถือดิบถือดีถือตนถือตัว อะไรต่างๆนานาเพราะได้เสพสมใจเอาชนะค้าคนได้ก็ว่ามันอร่อยดีมันเป็นความสุขนะที่จริงมันเป็นอัตตามานะเอาชนะค้าคนคนอื่นได้อะไรต่างๆนานาที่มันเป็นอยู่กันในโลกนี่ยิ่งเดี๋ยวนี้สนับสนุนกันมากที่จะต้องเอาชนะค้าค า, านเาแม้แต่ทุจริตแม้แต่โกงไม่จะทำร้ายทําเลวยังไงก็อเอาจนกระทั่งดื้อด้านมีอัตตาตัวตนสูงจัก เอาชนะคาการจัดจริงๆด้วยไม่ยอมระย่างนาะตราช้างทั้งทวีปเป็นอย่างนาะตราช้างทั้งทวีปดื้อด้านจะเอาชนะค า, านารได้อัตาตัวตนมันหยาบถึงขนาดนั้นตราช้างตัวเดียวนี่ไม่เท่าไรหรอกตราช้างแค่ในประเทศก็ไม่เท่าไรนี่ทั้งทวีปเลยอดีไม่ดีทั้งโลกเลยนะตราช้างทั้งโลกเลยนาะ ไม่ไม่ยอมแตกไม่ยอมหักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมตนศา ส, สนาพุทธเรานี่เรียนรู้ถึงการเอาชนะข้าขาดถึงป่านนั้นแล้วก็เข้าใจเหตุการณ์เข้าใจความวุ่นวายความเดือดร้อนแม้แต่ตัวเองจะเอาละยอมแพ้แม้แต่ถูกนะแม้แต่เราจะถูกต้องในบางทีย่อมยอมปล่อยวางเอาเถอะเลิกไม่ตรีรันฟันแทงไม่รีไม่ต่อสู้ไม่ระรานอะไรกันละก็ยังต้องทําเลยเพื่อความสงบเรียบร้อย ยังต้องทำต้องเสียสละเลยถ้าเผื่อว่าอารความถูกต้องความอะไรเรื่องนะั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ตึงต้งโตอะไรเรื่องผิวเผินความถูกต้องมันไม่ใช่หรือความถูกต้องที่หลักใหญ่ๆสำคัญสาคัญมากๆามันเป็นเพียงประเด็นหรือเหตุผลแค่เล็กน้อยเราก็ปล่อยได้ ไม่ใช่เราไปดึงดันกันแม้แต่เหตุผลเล็กน้อยความสําคัญก็ไม่ใช่มากใช่ไม่อะไรก็เอามาเป็นข้อมูลเหตุผลเพื่อที่จะเอาชนะคะคาร์เขาเรามีเหตุผลมากเป็นผู้พิชมากในเหตุผลเป็นผู้มีประเด็นหลักอะไรมีหลักฐานมีข้อมูลอะไรชนะคะคารก็มากมายถ้าท่าที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นโลเป็นพายอะไรคณะนักกันหนาะนะเหตุผลเล็กๆน้อยๆก็ไปประมวลมาหมดนี่ฉันมีข้อมูลมากกว่าฉันมีหลัก เกม์หลักการเหตุผลมากกว่าฉันจะต้องชนะชนะชนะทั้ทั้งนี้พี่หยิบมาหมดพิ้วๆเพลินๆเล็กๆนี่เอาหมดเลยนั่นแง่นั้นประเด็นนี้เอามาหมดเพื่อจะได้มีปริมาณมากแต่ตทั้งได้เหตุผลหลักๆใหญ่ๆสําคัญๆน่ะแพ้ไปแล้วนะแต่ตัวเองไม่ยอมอ่เอาเหตุผลน้อยในเทียงกันอยู่ทุกวันนี้นักวิชาการทั้งหลายแหล่หัวผู้หับวมอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าทะลุทะลวงทะลุยไอเรื่องของเหตุผลแง่เชิง ที่มันเป็นเหตุผลแง่กลับแง่มองได้วยตรรกวิทยานี่นะเทียงกันกี่ชาติก็ได้เหตุผลอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะเสร็จแล้วยิ่งไกลเหตุผลยิ่งโค้งยิ่งงอนะยิ่งซับซ้อนยิ่งเหลื่อมยิ่งบางยิ่งพลางยิ่งบังยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องยิ่งตามกันไม่ทันแล้วก็เอามาหาโอกาสที่ว่าเขาตามไม่ทันเขาคิดไม่ทันนั่นนหะแล่นก็มาฉวยโอกาสอย่างนั้นเป็นความชนะ เดี๋ยวนี้มีอยู่เป็นสงครามในโลกสงครามในสังคมนะว่าเราพยายามเข้าใจหลักแท้แท้แทสัจจะใหญ่ๆสำคัญสำคัญให้ดีทุกวันนี้เนี่ยสงครามในการต่อสู้เอาชนะฆาคการกันมีตั้งแต่ทางปัญญาไปจกนกระทั่งถึงเรี่ยวแรงเดี๋ยวนี้การต่อสู้เรี่ยวแรงก็ต่อสู้กันเอาชนะฆาคารกันจังเลย เ, เรี่ยวแรงสู้ไม่ได้ก็เอาอาวุธเอาอะไรอะไรเป็นอานาจ มันจะทำให้คนอื่นกลัวกลัวตายกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวถูกเขาทำลายก็เอามาคมคู่เข็นฆ่ากันเอาชนะคาคารนกันมีทั้งสองด้านส่งเสริมกันอยูนะ่อัตมาอยากจะอธิบายความเชื่อในมุมของโลกียะซ้ำซ้อนอีกว่าคนเราเชื่ออย่างลกโล ก, โลกทุกวันนี้ยังมีมาก แล้วก็ยังไปสแสวงหาลาบยศที่จะต้องมีมากๆถือว่าเชื่อว่าเป็นความเจริญถือว่าเป็นความประสบผลสำเร็จของชีวิตโดยไปหลงอัตราค่าจ้างแล้วก็กบกบโกลเข้ามาเป็นหลักฐานนี่เห็นไหมนี่ฉันทำได้ราคาแพงค่าตัวฉันสูงก็ชื่อว่าฉันเนี่ยเขายกย่องเชิดชูค่าตัวค่า ราคาสิ่งตอบแทนของฉันนี่สูงเสร็จแล้วก็เอามาไว้มากๆได้มากๆนี่เห็นไหมใชนประสบผลสำเร็จมันเป็นภาวะที่ย้อนแย้งในเรื่องของการเกื้อกูลแม้แต่ที่ที่ตะโกนกันทั่วประเทศว่าจะต้องกระจายรายได้เพราะเป็นหลักของเศรษฐกิจตะโกนกันโวกเวกโวกเวกไอ้คนตะโกนจริงๆนักเศรษฐศาสตร์ ส, สุดยอดน่เนะมันไปให้คนอื่นกระจายกูไม่กระจาย <Yeah. S 2> เสร็จแล้วหลักการต่างๆก็กระจายใครจะกระจายได้ที่ห่างๆตัวไปกระจายอย่าให้กูต้องกระจายอย่าให้ต้องพักพวกกูกระจายเลยเป็นอย่างนั้นตะโกนบอกไปกระจายรายได้แต่ตัวเองไม่กล้ากระจายแล้วจะไปให้คนอื่นเขากระจายตัวเองจะไม่กระจายมันจะไปเกิดอะไรตัวเองก็ไม่ยืนยันไม่พิสูจน์ตัวเองก็ไม่แสดงความจริง <Yeah. S 2> เพราะ้แม้แต่แค่นี้แหละ มันก็ไม่จริงมันก็ซ้อนเชิงปัญญาหรือว่าความเฉลียวฉลาดนั้นพอรู้ว่าสัจจะความจริงถูกต้องคืออะไรแต่กิเลสต้องเรียนรู้จริงๆหรอกกิเลสมันมีในคนจริงๆมันไม่ยอมให้ทำปัญญารู้ให้ตายงไงมันก็ไม่ยอมสังคมประเทศชาติลหลงไหลในเรื่องของการมอมเมาเป็นอุปทานแบบนี้กันเยอะ พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ว่าเราไม่ต้องสะสมลาบไม่สะสมเรื่องของการได้เปรียบเอารัตอะไรพวกเนี้ไม่ต้องสะสมมาอวดอ้างมายืนยันหรอกว่าเรานี่มีความสามารถมากจะต้องมีราคาค่าตัวแพงไม่ต้องทํางานฟรีแม้จะสามารถพระพุทธเจ้าไม่เคยให้คนลดความสามารถนะท่านส่งเสริมความสามารถส่งเสริมความรู้ส่งเสริมความขายันหมั่นเพียร มนเราจะทําขยันหมั่นเพียรมีความสามารถในการงานมีประสิทธิภาพสูงในการที่จะทําสิ่งที่ดีลงไปในสังคมในมนุษย์ประเทศชาติเนี่ยเราทําไปเถอะทําแล้วแม่ไม่ได้ขาดตัวเลยนั่นแหละมันยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณค่าอย่างที่อาตมาอธิบายเศรษฐศาสตร์เชิงคุทให้ฟังซ้ํำซากมากมายแล้วว่าถ้าเราไปตีราคาค่าผลผลิตหรือค่าแรงงานค่าความรู้อะไรของเราออกไป ไปตีราคาแล้วเราก็เอาค่าแรงงานค่าความรู้หรือค่าผลผลิตนั้นคืนมาถ้าคุณเอาคืนมาเท่ากับอัตราตามสมควรอัตราสามัญอัตราที่ถูกต้องยุติธรรมในสังคมสมมติว่าค่าผลผลิตอันนี้อัตราที่ถูกต้องสมควรที่สุดควรจะร้อยหรือค่าแรงงานเราควรจะร้อยค่าความรู้เราควรจะร้อย เราก็ไปเอาไอ้ร้อยนั้นคืนมาแล้วมาเป็นของเรานั่นคือเราไม่มีค่าแล้วผลผลิตของเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วให้เขาไปแล้วค่าแรงงานเราก็เอาค่าแรงงานมาหมดแล้วเราจะไปตู่ว่าเราเป็นประโยชน์เราจะไปตู่ว่าเราเป็นเจ้าของเราจะไปตู่ว่าเรามีคุณค่าคุณประโยชน์ให้แก่เขาก็เขาลบค่ามาแม้จะเป็นตัวกลางเป็นธนบัตรเป็นแบง์ อะไรก็ตามที่นับอัตรานั้นมันก็คือค่าที่เราได้รับคืนมาแล้วมันศูนย์แล้วเพราะคนทํางานรับค่าจ้างนี่นะไม่มีประโยชน์หรอกถ้ารับมาต่ํากว่าราคาจริงเรามีค่าแรงงานควรจะร้อยหรือเราสร้างผลผ ล, ผลิตนี้อัตรายุติธรรมควรจะร้อยเราเอามาต่ํากว่าร้อยเรายังจะมีประโยชน์บ้างเท่าที่มันไม่เอามาครบถ้าร้อยเราเอามาแค่เก้าสิบเราก็มีประโยชน์แค่สิบ ถ้าค่ามันร้อยเราเอามาคืนห้เราก็มีประโยชน์50นี่เป็นหลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธอาตมาพยายามที่อธิบายเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธอยู่ตลอดเวลาก็ยังเข้าใจกันไม่ได้เพราะว่าความขี้โลภเห็นแก่ได้เห็นแก่ได้เปรียบเนี่ยมันมากมันสูงจนกระทั่งมองอยังไงฟังยังไงก็ไม่ขึ้นมาเอ๊ความยุติธรรมอย่างนี้เหรอยุติธรรมนี่แหละคือยุติธรรมเสียได้มากเท่าไหร่นี่คือยุติธรรมดีเท่านั้นไปเอาเปรียบได้เท่าไหร่นี่คือความไม่ยุติธรรมเท่านั้น พอเสียสละได้มากเท่าไร่คือความยุติธ ร, รรมที่ดีมากใครละกล้าเสียก็ความยุติธรรมของคนนั้นคนนั้นมีบุญคนนั้นมีประโยชน์คนนั้นมีคุณค่าจะเสียได้มากเท่าไรจะสละได้มากเ <h ums> ท่าไรอ่ะเพราะใครสละได้หมดเลยนะเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์ยิ่งยุติธรรมที่สุดเป็นคนที่ยุติธรรมมากเพราะตัวเ <h ums> องก็พยายามให้คนอื่นเขาเสียสละตัวเองก็เสียสละ <h ums> อย่ากลายเป็นคนว่าให้คนอื่นเสียสละแล้วกูไม่เสียสละอย่างนั้นนยอดขี้โกง ยอดที่โกงเลยนักเศรษฐศาสตร์ที่โกงนี่มีทั่วบ้านทั่วเมืองนะกระจายรายได้แต่กูไม่กระจายเองกระจายกันกันลนะกันไปให้คนอื่นกระจายกูไม่กระจายกูจะโลภจะจะโลภจะก็กอบโกยจะสะสม น, ะนักเศรษฐศาสตร์จริงๆที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ในระดับปัญญาอันยอดอันเลิศและจะรู้หลักการอันนี้จงจริงจังพระพุทธเจ้านี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นยอดในสมมาอาชีพท่านตรัสเอาไว้อัตมาก็ ได้รับรับหลักฐานในพระไตรบิดกก็เอามาสอนกันให้พวกเราได้พิสูจน์จนกระทั่งพิสูจน์มาทุกวันนี้พวกเรานี่มาทํางานทําการกันไม่คํานึงถึงค่าแรงงานไงนะพวกเราทํางานฟรีได้แล้วก็ไม่ไปคิดจะเอาเปรียบเอารัดอะไรใครด้วยถ้าเราสามารถทนได้ดําเนินชีวิตต่อไปได้ได้ถูกเท่าไหรก่ก็เอาถ้าสามารถทนได้ถ้ามันไม่ได้ก็ขอขอบ้างขอเพิ่มบ้างมันไม่ไหวนะเนี่ยเนี่ยมันต่ำราคาที่จะเอามาครองชีพหรือจะเอามาใช้ มากไปแล้วก็ถูกเอาเปรียบมากไปเอาเธอเราจใจจะเสียเปรียบอยู่ก็ตามแต่ว่าก็เขาเอาเกินไปมากไปให้เราบ้างเราไม่พอไม่ไหวก็ตามฐานนะก็อาจจะต่อรองขอคืนบ้างแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้แล้วนะไม่ต้องเอาไม่ต้องขอม า, มากร้องน้อยเราก็พอหรือไม่เอาเลยแล้วก็ยังอยู่ได้คนนั้นจะไม่ติดใจอะไรก็จะเป็นคนเสียสละอยู่ในสังคม แน่นอนเมื่อเขาเสียสละเมื่อเขาเป็นคนไม่กอบไม่โกยไม่สะสมไม่กักตุนเป็นของตนของตนมันก็ต้องกระจายออกไปนี่คือความกระจายที่แท้จริงกระจายรายได้ที่แท้จริงเชื่อไหมที่พูดนี่เชื่อไหมเนะเชื่อสำนึกนอกจิตใต้สำนึกยังไม่แน่ ยังไม่แน่จิตใต้สําสนึกยังไม่แน่ไม่รู้ว่าจะยอมเปล่านะไม่รู้ว่ามันจะยอมไหมจิตใต้สําสนึกในสานึกธรรมดาตั้งใจฟังในสติสัพพัญญาปัญญาฟังเข้าใจเออไม่ค้านไม่แยงแยง่แยงไม่ได้เทียงไม่ได้เหตุผลชัดอแต่ตัวศรัทธาตัวเชื่อนี่บอกแล้วว่าตัวเชื่อน่ะมันมีทั้งตื่นและลึกอมันเชื่อละละคือเชื่อถือ จะเชื่อฟังไหมไปทําตามที่อาตมาพูดนี่ไหมยังยั ง, ยงรอก่อนสัจตินซีที่อาตมาแปลว่าเชื่อฟังไปปฏิบัติประพฤติให้มันถูกต้องตามความหมายนี้นะให้ทําให้ได้นะไปหัดฝึกละกิเลสละความเห็นแก่ตัวนั้นบทบาทจริงมันก็จะเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติทำไปทํายังกระตั้งเราทำยังกระตั้งละกิเลสได้จริงก็จะเชื่อจะเห็นจริงขึ้นไปจนเชื่อมัน่นจนจิตเราเป็นจริงเลยจิตเรา ไม่มีปัญหาเราให้ได้ให้เราก็สบายได้ให้ไปหมดก็สบายแม้ว่าเราจะต้องกเบียกกรเซียนตัวเองบ้างบางครั้งบางคราวเราไม่มีปัญหาอะไรมากเลยความเชื่อมันจะเข้าใจนะแล้วเราก็จะต้องพยายามช่วยตนพระพุทธเจ้าสอนสอนเราให้ช่วยตนให้ขยันหมั่นเพียรมันยังมีกําลังวังชายังมีความสามารถอยู่กระทําไปสิทํางานเนี่นะคือคุณค่าออกจากตัวเราประโยชน์ออกจากตัวเราถ้าเราไม่ทางานไม่ทําอะไรเลยมันจะมีคุณค่าอะไร ให้ความรู้ใครก็ไม่ให้ทำงานอะไรทั้งปากทั้งพูดก็ไม่ทำกายกรรมก็ไม่ทำหนักเข้าคิดก็ไม่คิดนั่งมันเบอร์ลูธเป็นสายหรือสีอ่ะมันไม่มีคุณค่าอะไรหรอกดินหินพวกนี้ยังมีคุณค่ามากกว่าเพราะยังเอามาถมเอามาบด ท, ทำปูนทานัน่นทำนี่ยังได้คนเป็นๆ เ, เอาไปทำอะไรก็ไม่ได้โอ้เอามาตั้งไปแทนก้อนหินก็ไม่ได้เอาไปทาอะไรก็ไม่ได้จริงๆนะคนนะมัน ไรค่าอยู่กัก็อนดินก้อนห็นซะอีกเนี่ยเห็นหมอาจารย์ธรรมพูดวนอยู่ตรงนี้ซ้ำํำซากมากมายนานครั้งนั้นคราวคุณฟังดูดีๆเถอะเมื่อคนเราเนี่ยนอกจากกรรมที่แปลว่าการงานหรือการกระทําแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นค่าฟังใหม่คนเรานอกจากกรรมหรือการงานหรือการกระทําเนี่ยไม่มีอะไรเป็นค่า ไม่มีมีอะไรมีค่าแต่แต่หัวจดเท้าไม่มีอะไรมีค่าจริงๆคนนะแม้เดี๋ยวนี้มันก็มีค่าบ้างแล้วนอซี่โครงเขายังขายได้เนาะอาตมาพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีค่าอีกซี่โครงเขายังขายได้เลยเดี๋ยวเนี้ยเออพูดไปพูดมาแล้วชักจะย้อนแยงสมัยใหม่ในชักจะเป็นราคาแล้วนะอ่า ขายเลือดเนอเลือดก็ขายได้อีกอ่ะอา่าขายเลือดขายสิครงอา่ามีนิทานเล่ามาว่าขายสิครงโอ้มันแต่จริงๆแล้วนี่นะเอาละมันไม่โลดผลถึงอย่างทุกวันนี้นะจริงๆคนนี่มันไร้ค่าจริงๆมันจะขายอย่างนั้นกเ็เถอะเอ้าก็ว่าไปมันก็อาจจะเกินที่อาตมาพูดไปแล้วมันทังจะเอแก่ประเด็นนี้กันได้แล้วนะ เียงได้ว่าเอ้ยขายได้เลือดยังขายได้เลยในคนนี้ว่าไม่มีค่าไดไงเลือดขายได้สิโครงยังเคยขายกันได้เลยนองนั้นมันก็คงจะขายอะไรได้อีกอ่ะไตก็ขายได้เออมันเอาไปเปลี่ยนได้นี่เนาะไตก็ขายได้นองนั้นเอาไอ้นนท์นี้ไปใช้โอ้พูดไปมันก็ทุเรศทุรังการน่ะเนาะมันมันไม่มีอะไรจะขายแล้วในขายอวัยวะขายอะไรมันยังไงไะ เอาละฟังพอดีพอดีกันแล้วกันอย่าฟังเลยเถิดกันแล้วกันอะไรเลยเถิดมันเลยแล้วอาตมามั one one one three three. นเลยเถิดแล้วเนี่ขายไตขายซีย่คโครงขายเลือดขายอะไรมันเลยเถิดไปหน่อยแล้วล่ะเอาได้แค่ธรรมดานี่กันแล้วกันจริงๆแล้วเป็นคนสามันถ้าไม่จําเป็นไม่ถึงที่สุดไม่มีใครเขาก็จะขายหรอกแม้แต่ขายเลือดจริงๆแล้วก็ไม่ขายหรอกถ้าไม่ถึงที่สุดสุดวิสัยหรือว่ามันเป็นคนอะไรกันว่าขายอะไร เรื่องของส่วนของตัวเองไม่เห็นหน้าเอาไปขายเลยมันน่าจะสงวนไว้ให้มันมีประโยชน์คุณค่าใช่ไหมเออมันมากเกินอย่างเลือดมันมากไปคุณจะไปถ่ายออกช่งคุณเถอะแม่ร่างกายมาผลิตเลือดมันได้มากเอาไปขายมันกิดทางช่ ง, งเถอะเอาเถอะไปไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ว่ากันแต่ไอ้สิโครงมั่งไอ้ไตมั่งไอ้อะไรมั่งนี่มันไม่น่าเอาไปขายแล้วละ่ะนะอา้าวคงพอเข้าใจนะว่าอาตมาว่าไม่ต้องคิดให้มันเลยเถิดถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วฟังปริญญาแค่นี้ให้พอก็อแล้วกันในคนนี้ไม่มีค่าอะไรเลย นอกจากกรรมกรรมนี่มีค่าที่สุดถึงแม้ว่าไตาคุณจะมีค่า ก, กระดูกซี่โครงคุณมีค่านะมันก็ขายมันก็หมดหมดเลือดคุณจะมานั่งสร้างเลือดขายเราเอาละเราจะมีอาชีพขายเลือดเหมือนกันหนมะอาหายาหาอาหารมาบำรุงเลือดบำรุงให้เป็นคนมีเลือดมากๆแล้วก็มาขายเลือดกันเดือนต่อเดือนต่อเดือนอ่าทางไม่รู้อะทางการก็บอกว่าทางวิชาแพทย์เนี่ยถึงขืนไป เอาเลือดออกสามเดือนเอาออกทีนึงมากไปมันจะไม่พอก็คุณก็กินได้ว่าขายสามเดือนมันคุ้มกันแล้วกันสามเดือนขายให้มันได้เป็นแสนเลยก็แล้วกันไปบำรุงเลือดให้มันได้ยังงั้นนะสามเดือนขายทีขายเป็นแสนเลยว่างั้นนะไปคนคิดวิธีการกันแล้วกันพูดไปมันก็เลอะเทอะๆนะจริงๆแล้วเนี่ยในอวัยวะหรือร่างกายอะไรเราเนี่ยมันค่ามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละ แต่สิ่งที่มีค่าได้มหาศาลจริงๆคือกรรมคือกรรมในคนเนี่ยกรรมมีค่าที่สุดกรรมที่เป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นมโนกรรมนี่มีค่าที่สุดเชื่อไหมต่อให้คุณบอกว่าไตรคุณราคาแพงมีค่าที่โครงคุณหรือว่าจะขายเลือดมีค่าแพงหน่อยก็สู้กรรมไม่ได้กรรมเนี่ยนะทําได้ตลอดเวลาแ ต, แต่เกิดจนตายเนี่โอ้โหมหาศาล จะได้อะไรอะไรแม้จะจะเอาไปขายจากกรรมกริยาสร้างผลผลิตสร้างอะไรอะไรขึ้นมาแม้มโนกรรมสร้างความคิดความรู้เอาไปขายเห็นไหมที่ค้ากันอยู่ทุกวันเนี้ยได้แลกเปลี่ยนมาเนี่ยมันก็เกิดจากบทบาทของกรรมใช่ไหมมีค่าที่สุดมีราคาที่สุดมีประโยชน์ที่สุ ด, สดคือกรรมและเลวร้ายที่สุดไร้ค่าที่สุดบาป ท, ที่สุดเป็นหนี้ที่สุดก็กรรมอีกแหละ อ่ากรรมนี่แหละเก่งกสนะ็สัตว์ใดๆด้วยนะสัตว์ใดๆฉันใดๆสัตว์อะไรใดๆเนี่ยสู้คนไม่ได้หรอกคนนี่หละทํากรรมเลวร้ายที่สุดบาปที่สุดเป็นหนี้ที่สุดไร้ค่าที่สุดก็คนนี่แหละทําลายเผาผลาญโหดเทียมได้ที่สุดก็คนนี่แหละกรรมของคนนี่แหละกิริยาของคนนี่แหละการกระทําของคนนี่แหละเพราะนั้นท่านจึงแบ่งมโหราชาทั้ได้แบ่งกรรมได้กรรมนี่เป็นยิ่งเป็นใหญ่ ถ้น้นสอนศาสนาพุทธอาตมาท่านเน้นกับพวกเราชัดเจนาศาสนาพุทธนี่คือาศาสนาแห่งกรรมสัจจะหรือกรรมนิยมาศาสนาพุทธนี่ยพอเข้าใจขึ้นไหมอาตมาก็พูดถึงกรร ม, มานานวันนี้เน้นลงไปที่กรรมให้ฟังให้ฟ่งทําทไมถึงได้ปริยา ม, มาสังวรแต่กรรมนี่แหละเพราะกรรมมันสําคัญในคนเนี่ยจะเป็นบาปเป็นบุญจะเจริญหรือว่าตกต่ําอะไรมันอยู่ที่กรรมเนี่ย กรรมชั่วมีกรรมดีมีก็อนี่แหละอคุโสลกรรมกับคุศลกรรมสรุปเป็นภาษาเป็นภาษาวิชาการวิชาการทางธรรมคุศสลกรรมอกุศลกรรมหรือบาปบุญเด็ยกย อ, ยอหรือเรียกเป็นไทยๆก็ว่ากรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีเท่านั้นเองศา ส, สนาพุทธเน้นมันเน้นกรรมกรรมพากําเนิดนกรรมเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ลึกซึ้งมากนะ กรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นเครื่องอาศัยกรรมเป็นก่อกำเนิดกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นมรดกโอ้โหยิ่งใหญ่กรรมจาแนกสัตว์ตนกรรมเป็นมรดกโอ้โหยิ่งใหญ่กรรมจําแนกสัตว์ในคนเนี่ยเรียกว่าคนนี่นะในตัวคนนี่แยกจําแนกออกไปได้อีกว่าเป็นคนชนิดไหนอะสมัยนี้เขา ก, กำลังแยกกันเห็นไหมคนชนิดมาร คนชนิดเทพนี่มันแยกกันเหมือนกันเข้าใจนะไม่ใช่ว่าคนเราไม่เข้าใจเราเข้าใจนะมารมันหมายความคนอย่างไหนเทพมันหมายความบุคคลอย่างไหนในศาสนาสอนเรื่องเทพเรื่องมารมากกว่านี้ศา ส, สนาเนี่โดยเฉพาะศาสนาพุทธนี่สอนเทพสอนมารละเอียดละออ ก, กว่านี้แยะมีหยาบกลางละเอียดเรวซามต่ําช้าขนาดกลางหรือว่าเรวซามต่ําช้าอย่างร้ายแรงหรือว่าเรวซามต่ชาช้าอย่างเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่มีมากมาย นับขั้นนับระดับไม่หวัดไม่ไหวถ้าผู้ใดเห็นหรือว่าเชื่อทีนี้ผู้ใดเห็นผู้ใดเชื่อว่ากรรมนี่แหละมันเป็นยอดแท่งพระพุทธที่เชื่อกรรมท่านจึงเรียกว่าลัทธิของพุทธเนี่ยเป็นผู้ที่มีกรร ม, มสัทธาเชื่อกรรมมีศรัทธาคือเชื่อในเรื่องกรรมมี วิปากศัทธาหรือวิบากวิปากสรัทธาเชื่อในวิบากเชื่อในกรรมเป็นของคงตนอีกลึกขึ้นไปกว่ากรรมธรรมดาได้กรรมสกตาศัทธากรรมสกตาสาัทธาคือกรรมเป็นของคงตนเชื่อนอกไปอีกเป็นกาวความเชื่อเป็นปัญญาและเป็นความเชื่อด้วยเป็นทั้งศัทธาทั้งปัญญาใครยิ่งมีปัญญารู้เเราเชื่อเพราะเหตุผลเราเชื่อเพราะเราเข้าใจเราเชื่อเ พ, อเพราะเราเห็นจริง เราเชื่อเพราะเรามีญาณรู้ลึกซึ้งเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจึงเชื่อก็ยิ่งดียิ่งของตนเองเป็นแล้วยิ่งจะดีใหญ่ไม่ใช่เชื่อของคนอื่นมาเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้นยิ่งของตนเป็นแล้วเกิดแล้วเป็นแล้วมีแล้วเห็นอยู่หลัดหลัดยิ่งยิ่งเชื่อใหญ่ยิ่งถูกต้องใหญ่ตถาคตโพธิสัต t h เชื่อใน ยานตรัสรู้ยานตรัสรู้ของพระสมัยพระพุทธเจ้าตถาคตปฏิสตามีศรัทธาสีเนี่ยวุรุจ่าท่านก็สอนไว้กรร ม, มสัทธาวิปากศัทธากรร ม, มสกตาสาัทธาตถาคตโพ ธ, ธิศรัทธาศรัทธาคือเชื่อเชื่อว่าวุรเจ้าในตรัสรู้จริงตรัสรู้สิ่งประเสริฐสิ่งยอดสิ่งที่สูงสุดจริงตรัสรู้ความเป็นชีวิตชีว่าความเป็นประโยชน์คุณค่าความเป็นสิ่งเลิศสิ่งยอด ความรู้รอบในโลกโล ก, กวิทูต่างๆพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงแม้ที่สุดตรัสรู้วิถีชีวิตมนุษย์ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดและก็เป็นผู้ที่สุขสบายสุดไม่ได้สุขสบายแค่โลกียะเขาหลอกๆเนี่ยเราจะเชื่อไปลําดับตามลําดับตามลําดับตามลําดับตามลําดับโลกเขาพาเป็นอย่างโลกเสร็จแล้วมันก็เป็นทุกข์อย่างโลกทําให้สังคมเป็นทุกข์ด้วย ถ้าเราลดล่ะมาถูกต้องตามทิศทางที่พระเจ้าสอนเราก็พ้นทุกเราก็เป็นหน่วยหนึ่งตัวหนึ่งที่ทําให้ทุกข์ในโลกลดลงด้วยอย่างนั้นยังไม่พอเราเป็นได้เราก็พาผู้อื่นเป็นได้อีกนําพาผู้อื่นในลดทุกลดเวรลดภัยลดไอสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามในโลกในสังคมลดไปได้อีกอันนั้นยิ่งเป็นราคาสูงมากทุกวันนี้เนี่ยราคาในการพาให้คน ลดเหตุปัจจัยที่ทําให้สังคมหรือประเทศชาติหรือมนุษยชาติมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสินค้าหรือเป็นผลผลิตที่ค่าแพงมากเพราะคนทุกวันนี้นี่ไม่คํานึงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ผิวเผินมากในเรื่องที่คํานึงถึงว่าใครจะเป็นทำอะไรลงไปให้สังคมแล้วมันเดือดร้อนเนี่ยคิดแต่แค่หยาบหยาบเตอเราไม่ทําความชั่วหยาบ ก็พอแล้วแต่เราก็ทําคําชั่วดิอย่าว่าแต่หยาบเลยขนาดหยาบน้อยก็ยังไม่รู้ตัวอย่าว่าได้หยาบใหญ่เลยเอาเชื่อละขนาดหยังหยาบยักหยังหยาบจริงๆหยาบอย่างยักไม่ทำหยาบอย่างใหญ่ก็ไม่รู้ก็ยังทําอยู่หยาบอย่างกลางจะไม่รู้ได้อีกเนอะก็อย่างใหญ่ก็ยังไม่รู้เพราะยังมีอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างเล็กหยางทุลีละองโอ้ยอีกมากมากายกอง ผู้ที่จะละเอียดละออย่างนี้ก็จะต้องมีความรู้จริงในเรื่องของความชั่วหรือความไม่ดีนี่มันซับซ้อนนีซับซ้อนยกตัวอย่างง่ายๆเราเข้าใจว่าเออนี่ถ้าเราได้เงินนี่หาเงินมาได้มากๆมากๆไม่รู้ละเราพยายามสามารถที่จะตีราคาค่าตัวให้สูงๆแล้วเาก็ยอมให้เราได้ก็แล้วกัน เขายอมไม่เราเเอาเท่านั้นน่ะตีราคาค่าตัวชุกสูงได้โดยไม่ต้องไปปรับปจี้ไปโกงเขาเลยนะได้มามากๆมากมันดีใจมันดีๆแต่ก่อนนี้เข้าใจอย่างนั้นนะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องดีมันไม่บาปอะไรหรอกแต่มาศึกษาธรรมะเข้าแล้วนี่เป็นต้นเออช่างไม่ใช่ซะแล้วแฮ่เอมารบโมโตสันมาเอาเปรียบเอาด้านเขามากๆแม้แต่เขาจะยินยอมก็ตามอันก็ไม่เบียนเบียนเขานะ ไม่เอาเปรียบเอารัดเขาอย่างนั้นเนี่ยยิ่งไปสร้างอํานาจบาดใหญ่อะไรทําให้คนอื่นเขาต้องกลัวต้องเกรงต้องจำนนจํายอมที่จะให้เนี่ยวิธีการในนี้ในโลกเขาสร้างมาอยู่ตลอดเวลาตัางค่าตังราคาของตนเอ ง, องไปสูงสูงเอาเปรียบเอารัดได้โดยวิธีเขาต้องจํานนนัน่นแหละตั้งมันเป็นหลักการของประเทศเลยเงินเดือนฉันต้องเท่านี้เงินเดือนอย่างนี้ก็ต้องเท่านี้รายได้อันนั้นต้องเท่านี้ต้องมีส่วนได้อันนี้อันนี้นนบวกเข้าไป เชี่ยวไม่ได้แก้ไขไม่ได้มันเป็นหลักของประเทศแล้วอะไรงนี้เป็นตน้นก็ทําเอาทํำไปเพื่อตัวก็เผื่อไว้รุนลูกรุนห ล, น ล, น ล, นลานกูพักพวกของกูอะไรก็แล้วแต่ทําอยู่อย่างนั้นนะจนกระทั่งมันก็มาต่อๆกันขึ้นมาจนกระทั่งเกินซับซ้อนเลยเถิดจนกระทั่งจัดจ้านไอ้บทบาทการเอาเปรียบเอารัดพวกนี้และตนเองทําให้ตนเองได้เปรียบเนี่ยตั้งค่าไว้สูงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มัน มันช่อชนมันเอาเปารียบเอาดกันจนกระทั่งอัตมาพูดไปก็เท่านั้นเขาก็ไม่ฟังหรือฟังเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกว่ายุดติรทำตามระบบระเบียบของสังคมแล้วคนที่อยู่ในระบบพวกนั้นก็ยินดีแต่มาฟังทำชัดๆแล้วจะเห็นได้ว่าโอ้โหเรานี่ไม่ดีโดยสัจจะแล้วมันไม่ใช่เราเป็นคนค่คาเป็นประโยชน์ตามหลักเสียสลเชิงพุทธ เราจะเห็นได้เราจะรู้ได้นี่แต่ก่อนนี้เราเชื่ออย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้พอได้ฟังธรรมะลึกซึ้งขึ้นอ๋อผิดนี่นะเราเชื่อผิดผิดนี่อย่างนั้น่เห็นจริงขึ้นคุณเชื่อจนกระทั่งคุณก็ค่อยๆลดละลงมาเริกเนี่เป็นวิธีการหรือว่าหลักการที่เจ้าสอนเอาไว้เราเอามาเรียนรู้แล้วก็ไปแก้ไขปรับปรุงวิธีการหรือปรับปรุงอะไรพวกนี้กันมาการประพฤติปฏิบัติที่อาตมา ขยายความอยู่นี้เนี่ยอาตมาได้เอามาให้กับพวกเราได้ประพฤติดได้พิสูจน์โดยอาตมาไม่ได้อธิบายรายละเอียดอย่างนี้มาอธิบายตามหลังเยอะแล้วให้พวกเราได้มาทำได้พิสูจน์กันมาคนที่ทำงานมีรายได้มีอะไรอะไรมีหลักฐานมีอะไรตามโลกเข้ามาแล้วจนกระทั่งเห็นจริงเห็นจังลดกิเลสของตัวเองปลดปล่อยมาเลิกละมา แล้วก็มามีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ได้ทุกร้อนไม่ได้เดือดร้อนอะไรพอเป็นไปยิ่งเราลดเราละความติดความยึดโดยเฉพาะโลกียสุขเนี่ยลดลงมาได้ได้ไๆจนกระทั่ไทงไปดูเบรคขาจนกระทั่งไม่ทุกข์ไม่สุขรล้วมันก็พอเป็นไปชีวิตยิ่งเห็นจริงว่ามันไม่มันอทุกขมาสุขจริงๆมันอุเบกขาแต่ไม่ใช่อุเบกขาอย่างที่ย้ำทุกทีแล้วว่าไม่ใช่อุเบกขาดูอยู่เฉยๆมันเป็นความเฉยต่ออํานาจกิเลส ถ้าจะพูดให้ครบค ร, บ, ครบอุเบกขาตัวนี้มันเป็นความเฉยต่ออํานาจกิเลสกิเลสที่เรากระทบสัมผัสเนี่มันกระทุ้งกระเทือนอยังไงก็ไม่ทําให้เกิดไม่ว่าจะเป็นกิเลสสายโลภสายราคะหรือสายโทสักสายชังสายผลักไม่มีทั้งสายผลักสายดูดและไม่หลงผิดด้วยไม่มีโมหะเข้าใจชัดเจนถูกต้องไม่มีโลคโกรธหลงนั่นเองไม่กระทือนให้เกิดโลคโกรธหลงนั่นเอง จะกระทุ้งกระแทกอยู่ก็กระทุ้งไปมีสัมผัสเป็นปัจจัยมีตัวมาผัดสะมีตัวมากระทบกะแทกกระเทือนสัมผัสอยู่แต่ไม่เกิดกิเลสจริงๆเลยนั่นเรียกว่าเฉยต่อกิเลสไม่ใช่เฉยคือไม่ทาอะไรเฉยคือเดอ้อเด้อเเฉยคือไม่คิดเฉยคือไม่พูดเฉยคือไม่ทากายกรรมไม่ใช่คนที่ต่อ สู้กิเลสได้เฉยต่อกิเลสได้นี้แต่มีกรรมกิริยาสร้างสรรค์ทํางานขยันหมั่นเพียรอยู่เลยดีไม่ดีทําในสิ่งที่เฉยต่อกิเลสคนที่ยั่วยุเรานี่มีเหตุปัจจัยเป็นกิเลส ย, ยั่วยุเราเนี่ยเรากลับมีบทบาทการงานการกระทํากิริยาต่อสู้กับคนที่ทําเหตุแห่งกิเลนั้นให้คนทําเหตุแห่งกิเลนั้นลด กรรมกิริยาลงไปด้วยซ้ำต่อสู้ด้วยนี่คือคนเฉยฟังไหวไหมตอนเนี้ยไหวไหมอาตมาอธิบายภาษาไทยง่ายๆนะเนี่ยไม่ยากฟังตามฟังดี่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าอุเบกขาทุกวันนี้อธิบายกันก็ไม่ออกอธิบายกันก็กลายเป็นว่างเฉยคือเลิกไปไม่เอาอะไรไม่เอาถานอะไร อันนั้นก็เข้าใจละก็เป็นความหมายเบื้องต้นตื้นตื้นก็ถูกละความหมายคำว่าเฉยนี่นะแต่อุเบคาไม่ได้แปลว่าเฉยอย่างนี้นะอุเบคาในภาษาบาลีภาษาธรรมะโดยเฉพาะยิ่เป็นภาษาที่ในความหมายของธรรมะมันไม่ใช่เฉยอย่างนั้นจิตมันเฉยต่อกิเลสกิเลสไม่เกิดจริงๆสงบระงับดยศูนย์ศูนเลย กิเลสไม่เกิดจริงๆเลยดับสนิทเป็นนิพานนพานนิพพานหรือนิโรธดับสนิทอุเบกานี่คือฐานแห่งชาญสูงสุดนะเป็นพฤติกรรมของจิตหรือเป็นประสิทธิภาพของจิตชนิดหนึ่งอุเบกานี่เพราะฉนั้นพฤติกรรมหรือประสิทธิภาพของจิตชนิดนี้คือมันเฉยต่อกิเลสแต่มันมุทุภูเตกา ม, มินีเยทีเตอเนชัปปเตมันแข็งแรงมั่นคงมุมทุมีธาตุมุทุธาต ปูตานี่ก็คือจิตวิญญาณนะเนี่ยปูต์แต่ปูเตเนี่ยจิตวิญญาณที่มีมุทุกอ่อนไวไวพริบแป๊วไวแคล่วคล่องแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสได้อย่างมีความเฉลียวฉลาดแข็งแรงมีอั ป, ปนาพยัพนาเจตโสพินิโรปนาจิตจะสามารถนิคนึกคิดนะจะนึกจะคิดจะพิจารณาจะวินิจัยวิเคราะห์วิจัยทําอะไรได้ปราดเปรียวแคล่วคล่องโดยซ้ํา ไม่จะเฉยโดยจิตกึ่งดืด้อเฉยไม่ใช่เลยอย่าว่าจะเฉยอย่าว่าจะจิตเลยแม้แต่กรรมกิริยาทางกายทางวาจาก็มีกรรมกิริยาได้เช่นด่าคุณด้วยจิตว่างด่าคุณด้วยอุเบกขาเชื่อไหมล่ะฟังเข้าใจไหมด่าคุณด้วยอุเบกขา คือด่าไปโดยที่จิตไม่มีกิเลสน่ยไม่ได้โกรธคุณไม่ได้ชังไม่ได้รักไม่ได้หลงด้วยดายัางบอกบอกเรียกด่าก็คือบอกแต่บอกแรงแรงบอกอย่างที่มีน้ำหนักแล้วเขาก็เรียกภาษาคนภาษาไทยใ น, นวันด่าพอเราเจอคําคหนักๆคําที่มันแรงๆคําที่ฉีกหน้าเรามากๆเนี่ยมันแรงหน่อยแต่จะเรียกว่าหยาบก็ตามเราก็เลย เรียกอันนี้เรียกกิริยานี้ว่าดา่าถูกดุแรงๆถูกดุแรงๆถูกดุหยาบๆคนดุนั้นไม่ได้มีกิเลสในจิตเลยนะัคือดุด้วยอุเบกขาจะเรียกว่าด่าก็ได้ด่าด้วยอุเบกขาด่าด้วยจิตว่างไม่ได้ว่างจากความปรารถนาดีไม่ได้ว่างจากความปรารถนาดี แต่ว่างจากความปรารถนาไรา้ไม่มีแม่เศษเสี้ยวทุลีของความปรารถนาไรา้เลยแต่มีความปรารถนาดีสูงแรงมากเท่าไรก็ได้แต่ว่างจากอากุศลว่างจากทุจริตว่างจากกินเละเห็นแกตตัวไม่ได้ทำเพื่อที่จะให้เขาเคารพไม่ได้ทำเพื่อที่จะให้เขามาบูชาไม่ได้ทำเพื่อต้องการสิ่งแลกเปลี่ยน ไม่ต้องการความสัรเรินยอนยอไม่ได้ทาเพื่อโลกียะใดๆไม่มีอมิตรอะไรนั่นแหละยิ่งว่างสะอาดมากทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่ก็เป็นนัยยะที่ลึกซึ้งของธรรมะนะคุณจะเชื่อไหมนี่ฟังไปมีเหตุมีผลแล้วไปฝึกเอาให้เป็นอุเบกขาอย่างนี้ให้ได้เมื่อคุณมีอุเบกขาอย่างนี้จริงและคุณใช่อุเบกขาอย่างนี้จริงอยู่ในตัวแล้วนะ เราก็จะเชื่อว่าโอ้มันทําได้เหมือนกันนะตอนแรกๆมหม่ยอาจจะว่าเอ๊ด่าคนไม่โกรธนี่ด่ายังไงว้าด่าคนไม่โกรธมันไม่โกรธมันก็ด่าไม่เป็นแล้วมันก็ด่าไม่ลงแล้เพราะคนเราทําด้วยอํานาจของกิเลสมานานจะด่าเขาจะดุเขาจะว่าเขาก็ต้องโกรธเนอะหรือไม่จะด่าจะดุจะว่าเขาก็นั่นแหละก็ไม่ชอบใจอะน่ะสรุปง่ายๆก็คือไม่ชอบใจในการว่าเขาเพราะที่พูดที่ด่าที่ว่าที่ดุ หรือที่บริาพาทใช้ภาษาเพราะเพราะอะไร่า<ๆ>บริาพาทแปลจริงๆก็ว่าด่านี่ยแหละบริาพาทบริาพาทผู้อื่นด้วยจิตใจที่ไม่มีกิเลสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เชื่อกันยากเพราะคนทั่วไปเนี่ยมันไม่ด่าด้วยไม่มีกิเลสกันหรอกมันเป็นสามัญอ่ามันเป็นสามัญมันเป็น ธรรมดาของมนุษย์ที่มีกิเลสในโลกคนที่ปราศจากกิเลสถ้าทำกรรมกริยาเดียวกันเหมือนกันแรงเท่ากันกับคนโ ล, โลกเขาทำแต่จิตคุาถ้าสะอาดจากกิเลสคนจึงรู้ไม่ได้เดายากเดาไม่ออกเขาจะไปยุ่งจิตใจท่านได้ยังไงท่านไม่มีกิเลสท่านเป็นจิตอุเบกขาอ่ามันอ่านไม่ออกหรอกใช่ไหม พจกรรมกิริยาอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องฝึกด้วยทําไม่ง่ายนะแต่ที่เราส่วนมากหรือปุตุชนคนทั่วไปเนี่ยด่าด้วยกิเลสเนี่ยมันง่ายมันคล่องมานานแล้วมัรู้กี่ชาติตั้นแต่เป็นสัตว์มันโกรธเมื่อไหร่ก็จะขมั่มเขาตั้นแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานมันจงก็ตั้งมาเป็นคนก็ฝึกอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไหนมันมีแต่ไหนแต่ไหนมานเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ยาก คนปุถุชนเมือนามันเคยฝึกฝึกซ้อมอบรมมานานก็มาแก้กลับแก้ฝึกปลือเราจะว่าคนจะดุหรือว่าจะด่าก็ตามจะใช้ภาษาแรงๆ่าบริภา่าหรือด่านี่ก็ตามดุคนเรารู้ด้วยซ้ำไปว่าการดุอย่างนี้เนี่ยเกิดผลเมื่อกระทบคนนี้ได้รับการดุการว่าแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเขาจะหยุดทำชั่ว หยุดทำบาปถ้าไม่ดุไม่อยุดแฮถ้าดุได้เงี้หละ่ะอืมหยุดมันก็เป็นผลเป็นประโยชน์ในโลกในสังคมเพราะถ้าเราเข้าใจลักษณะพวกนี้ไม่ได้เนี่ก็เลยอ่านเพลินเลง่ายๆไอ้คนนี้ยังดุอยู่ยังยังไม่เป็นอริยะหรอกอริยะต้องยิ้มเรื่อยๆพูดไม่ดุใครเลยนะดุไม่เป็นเพราะดุมันกระทบนะดุคนนี้มันกระทบกระเทือน ก็เลยไปแปลความหมายว่าพระเจ้าดสอนว่าอนุปวาโทอย่าพูดให้กระทบกระเทือนผู้อื่นมาพูดยังไงแล้วไม่กระทบผู้อื่นนะพูดโดยไม่มีเสียงไม่กระทบกระเทือนใครแต่ถ้าพูดมีเสียงมันก็กระเทือนไม่ไม่กระเทือนดีมันก็กระเทือนชั่วหรือว่าแม้กระเทือนอย่างที่รับรู้มีควีนซี่มีคลื่นกระเทือน มันก็เกิดความสั่นสะเทือนแล้วมันเกิดคุเวนซี่แล้วคือจะเกิดอาการชอบหรือชังหรือไม่หรือไม่เกิดอาการชอบอาการชังก็ตามก็เป็นความเคลื่อนที่มีคึคืนการกระทบแหละนะเพราะจะมันจะไม่ให้กครกระทบพูดไม่ให้กระทบใครก็พูดไม่มีเสียงถ้าพูดมีเสียงได้ยินเบาก็กระทบน้อยๆพูดมีเสียงแรงๆก็กระทบแรงๆ แล้วในเนื้อหาของความคําพูดโวหารลีลาด้วยยิ่งมีเนื้อหาเข้าเนื้อคนนั้นเนี่ยคนนั้นมีชั่วกระฉีกหน้าความชั่วเขาออกมาด้วยนะ ย, ยิ่งแรงมากพระพุทธเจ้าถึงได้ตอบมีคนไปถามท่านว่าท่านตรัสคํารุนแรงไหมพุทธเจ้าบอกตรัสคํารุนแรงคํารุนแรงเป็นยังไงก็ทุจริตสิเพราะถ้าพูดเรื่องทุจริตเมื่อใดมันจะเป็นคํารุนแรงเมื่อนั้น เข้าใจไหมในความหมายแต่ท่านตัดไว้สั้นๆในพระไตรปิฎกคนอ่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไห ร, ร่คนที่ไปถามในสูตรเนี้ยคนที่ไปถามและคนที่พุทธเจ้าท่านคุยกันคนที่ถามคนนี้ท่านตัดคำรุนแรงไว้บอกตารคำรุนแรงเป็นยังไงอ่ะคำรุนแรงคือคําทุจริตตัดไว้สั้นๆแค่นี้เพราะว่าถ้าคนไหนไม่มีปฏิภาณรอบก็เออเราตัดคำํำทุจริตมันจะรุนแรงไงเนี่ยในยที่อาตมาอธิบายฟัง ถ้าพูดเรื่องทุจริตขึ้นมาเมื่ อ, อไร่แล้วเรากัคนที่มีทุจริตเราโดนกระทบแล้วโดนด่าโดนว่าใช่มไหมโดนด่าโดนว่าแล้วโดนฉีกหน้ายิ่งเราก็รู้ว่าไอ้พูดถึงนี้มันกูเป็นในวากนี่กูเป็นในวาแล้วท่านยิ่งอธิบายความทุจริตเนี่ยที่เลวร้ายหยาบลงไปก็ต้องฉีกหน้าด่าใช่ไหม ว่ามันยามันนี้มันน่าเกลียดมันน่าชังมันน่าไม่เป็นมันน่าไม่มีนะอย่าไปเป็นอย่าไปมีมันทุจริตนี่มันน่าเกลียดอย่าไปเอามาเป็นของเราเราอย่าไปเป็นทุจริตอย่างนั้นมันต้องให้เห็นคุณเบื่อหน่ายคลายหรือว่าเกรงกลัวอย่าไปเป็นอย่าไปมีสิอย่างนั้นมันน่าเกลียดมันก็ต้องฉีกหน้าถล่มทลายความไม่ดีความทุจริตนั้นลงไปให้มากๆทีนี้ถ้าผู้ใดมีความ ไม่ดีอันนั้นมากอย่างที่ว่านั้นด้วยมันก็โดนฉีกหน้าจัดก็ไปใหญ่เลยใครไม่รู้เราปุกปกปิดคนอื่นไว้นะแต่ใครไม่รู้เราก็รู้โอ้โหนี่ฉีกหน้าเราจังเลยยิ่งคนอื่นก็รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยอันนี้มันประจานกูนี่ว่าเท่า น, นั้นเองนะยิ่งคนอื่นก็รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้คนก็ไม่ชอบเพราะการที่จะเปิดเผยความชั่วผู้อื่นหรือว่าการจะกล่าวทุจริตแรงจึงต้องระวัง เพราะฉะนั้นการประมาณในการพูดนี่จึงต้องประวังเพรา ะ, ะคำว่ากระทบกระแทกกระเทือนเนี่ยจึงไม่ได้ตื่ น, ต, นตื่นเป็นมิติเดียวว่าอย่าไปพูดไม่ดีเลยแล้วพูดกระเทือนเขาเลยไม่ใช่ไม่ต้องกระเทือนกระทบพูดดีก็กระทบพูดชั่วก็กระทบพูดดีก็กระเทือนพูดชั่วก็กระเทือนทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีหรือไม่ต้องประมาณ ของการจะดูจะว่าจะด่าจะว่าคนอื่นหรือว่าจะกล่าวทุจริตฉีกหน้าทุจริตนี่ก็ต้องมีกาลเทศะจึงมีสัพพุริสธรรมเจ็ประการให้ดีประมาณให้ดีรู้ชั้นรู้ต่อรู้เนื้อหารู้สาระรู้ธรรมัญญาตาอัตัญญุตารู้อัตัญญาตาตัวเราเองนี่จะกล่าวได้แค่ไหนอาตมาจะฉีกหน้าทุจริตพวกคุณนี้ได้มากหน่อยคนในระดับที่ยังไม่ถึงอาตมาเนี่ฉีกได้ไมมากเท่าหรอถือคนนี้คนนี้ไม่ให้สิทธ ไม่มีสิทธิ์มาว่าข้าวขนาดนี้แต่คนนี้เออคนนี้ยกให้คนนี้ว่าข่าวขนาดนี้ได้เราก็ต้องรู้ตัวด้วยเลยว่าในเราอยู่ในฐานะไหนตัวเราเนี่อัตอยุตาประมาณตนเหมือนกันว่าเอ้ในสังคมอย่างนี้ในบุคคลอย่างนี้ในโอกาสอย่างนี้ในกาลละอย่างนี้เนี่ยเราควรวญควรกล่าวฉีกหน้าหรือทวงสิ่งไม่ดีอันนี้ลงไปในขณะนี้ได้หรือยังก็ต้องมีปุริสสัพปริสธรรมต้องมี อัดทันยุตตาทำมันยุตตาอัตทันยุตตาประมาณตนต้องมีมัดตัญยุตตาคือประมาณใด้ดีนะจะทำขนาดไหนกาลันยุตตากาลอย่างนี้และมูชนขนาดนี้มูชนนี่มูคนชนกลุ่มไหนต้องรู้มูชนนี้อย่างนี้มูชนกลุ่มไหนมีภูมิมาทำแล้วว่ามีฐานะขนาดไหนจะพูดขนาดนี้ได้ไหมแรงขนาดนี้เบาขนาดนี้ได้หรือไม่ต้องเกิดประมาณรึกแต่ละบุคคลถ้ายิ่งรู้ละเอียดแต่ละบุคคลไปเลยว่ามีความ แตกต่างกันแล้วก็คำนวณค่าเฉลีย่ยได้ขนาดนั้นขนาดนี้ก็จะแม่นขึ้นถ้าเรายังไม่รู้จากบุคคลเลยเนี่ยไม่รู้ว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้มีอินทรีย์พร ะ, ะมีความยกให้มีการเคารพนับถือยอมรับกันขนาดไหนยิ่งไม่รู้เสี่ยงต้องประมาณให้ดีๆสัพปริสธรรมเจประการจึงเป็นคุณธรรมของสัตว์รรมรคุณธรรมของผู้ประเสรศิฐคุณธรรมของผู้ที่จะทาอะไรต่อะไร กรกิริยาอะไรแต่ไรในสังคมได้ประโยชน์คุณค่ามากนะอัตมาว่าอัตมารู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้กระทำสิ่งเหล่านี้อยู่กับพวกเรานะเสร็จแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันวิทยาศาสตร์มันเจริญเทศเอาไว้ใส่เทปเอาไว้แล้วก็พูดให้คุณกลุ่มที่ฟังนะเอาไปฟังกลุ่มอื่นโอ้ยเกิดเรื่องเกิดรามาเยอะแยะเลยนะ เกี่กรื่กรรามามากมายอ่ะเอาละมันก็ช่วยไม่ได้ในยุคนี้สมัยนี้มันยากนะยากเราก็ทำถึงยากยังไงเราก็ต้องฉลาดพอที่จะปัดเป่าหรือพอที่จะปกป้องพอที่จะกระทำให้เราีอยู่รอดหรือทำได้ดีไปได้มากที่สุดเท่าที่เราจะประมาณได้คำนวณได้ต้องทำนะทุกวันนี้สังคมมันตกต่ำ มันตกต่ํามันหยาบคายกิเลสมันจัดจ้านมันมากจนกระทั่งอยู่ไม่เป็นสุขคนจะเชื่อหรือว่าจะมีศรัทธาเข้าใจแล้วก็จะเชื่อถือไปในทิศทางที่เป็นคุณธรรมเป็นความประเสริฐเป็นความมีคุณค่าประโยชน์อย่างที่อาตมาอธิบายมาติต้นเข้าใจไม่ค่อยได้และทําโทษทําบาปทําเวรให้แก่ตัวเองเยอะทีนี้อาตมาธรรมะของพระเจ้ามาอธิบายมาสอนมาแนะนําพวกเราฟังมีปัญญาปฏิภาณรับรู้แล้วก็มาฝึกตนจนกระทั่งมาเป็นไปได้ขนาดนี้เนี่ย อตาตมามีคนบุญคนเป็นบุญคนทำบุญคนที่จะรู้จักบุญแล้วก็มาสร้างสรรค์บุญให้แก่ตนเองตามหลักทางตามทางของาศาสนาตามหลักการของาศาสนามากขึ้นแต่ถึงมากก็ยังน้อยมันมากขึ้นในในในความในความเป็นเราทำได้ทำได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่มันยังน้อยมาเปรียบเทียบกับสังคมหรือเปรียบเทียบกับประเทศชาติยิ่งทั้งโลกด้วยยิ่งมันยังน้อย ผู้น้อยจริงๆยังไม่มากไม่มายเลยแต่เห็นความเป็นไปได้นะในถ้ำกลางเตาหลอมเหล็กเนี่ยหรือในถ้ำกลางไฟโชนร้อนนี่นะเราเป็นเม็ดน้ําที่เหมือนกับไอน้ำเท่านั้นเองนะในบ่อเพลิงที่ใหญ่โตเนี่ยเราเหมือนกับไอ้น้ำเม็ดน้าที่เล็กนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เราก็ยังรักษาไอน้ําหรือเม็ดน้ํานี้อยู่ในถ้ำกลางบ่อเพลิงที่กุ้มแรงนี้ได้ ไม่ไม่ไม่เล็วนะไม่เบาเขาก็พยายามจะสลายไอความร้อนของโลกด้วยโล ก, กียะอย่างโลกโลกเขาก็พยายามจะต่อสู้มันเป็นธรรมดาของธรรมมาธรรมะสงครามมันจะต่อสู้กันระหว่างสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีมันต่อสู้กันมาตลอดกับการเมื่อไหรเมื่อไรมันก็ต่อสู้โดยธรรมชาติไอความดีกับความไม่ดีมันต่อสู้กันมาความไม่ดีมันมก็จะทำความดีมันก็จะทำถ้าคนดีนี่มีกำลัง มันก็สู้ได้หรือว่าตั้งตนอยู่ได้ถ้าไม่ดีกับแพ้ก็ต้องจำนวนไปทำตามไม่ดีไปโลกก็ยิ่งแย่ลงไปทุกทีเพราะทุกวันนี้เนี่ยเรารักษาตัวรอดได้ขนาดนี้เนี่ยอาตมาก็ว่าพอไปนะแล้วก็พยายามให้มันแข็งแรงแล้วก็บรร曼ไปเรื่อยๆไม่ประมาทนะประมาณให้ดีไม่ประมาทนะประมาท ไ, ไ, ไม่ได้นะประมาทเพ้อไม่ได้เลยเราเหมือนกับเม็ดน้ำน้อยเม็ดไอ้น้ำน้อยอยู่ในถ้ำกลางบ่อเพลิงที่โชนร้อนใหญ่โต จ, จริงๆนะ มีสิทธิ์ที่จะวัดหายละลายศูนย์ตัวไม่เหลือมีสิทธิ์จริงๆเลยเพราะเราจะประมาทตนเองไม่ได้เด็ดขาดเลยแต่มมีสัจจะของมันถ้าเรามีความฉเฉลียวฉลาดเพียงพอประมาณเป็นมีสัพพุริสธรรมเจประการพอประมาณได้ดีก็รักษาไว้ได้รักษาไว้ได้ทีนี้จะรักษาไว้ก็ได้แล้วก็จะต้องให้เจริญอีก รักษาว้ได้เราต้องให้เจริญขึ้นเพราะนั้นทุกวันนี้อาตมาเร่งรัดอยู่เนี่ยเร่งรัดเพื่อให้เจริญอาตมาทําคนเดียวมันก็ไม่มากไม่โตไม่เร็วพอเราเพวกเราต้องช่วยกันทําแต่และคนทําก็ได้ของตัวของตนกรรมสโกมหิเป็นของตัวของตน ต, ตนก็เจริญจริงเองไปได้เรื่อยๆไปจริงๆแล้วเราจะได้พิสูจน์ความจริงพวกนี้กัน ความจริงพวกนี้เนี่ยมันก็ทวนกระแสกันชัดขึ้นชัดขึ้นก็จะเกิดยานเกิดปัญญาขึ้นจริงๆเลยแต่ก่อนนี้เชื่อว่าความเสียสละดีก็เพลินเพินนะนะเพราะต่อมาต่อมานี่ยคุณจะเห็นว่าโอ้เสียสละดีจริงๆแล้วเราก็ทําการเสียสละได้มากขึ้นยิ่งเราได้เสียสละมากขึ้นยิ่งจะเห็นจริงมากขึ้นยิ่งเห็นจริงมากขึ้นเราก็ยิ่งเชื่อมากขึ้นเชื่อมากขึ้นเราก็ยิ่งมีปัญญาในทางที่จะเสียสลายอย่างซื่อสัตย์เสียสละอย่างถูกต้องไม่ใช่เสียสลาอย่างขี้โกง เสียสลายอย่างซื่อตรงเสียสลายอย่างปลึกซึ้งเสียสลายแตมาว่า น, นี่เป็นของพระเจ้าและมันมีประสิทธิภาพมันมเป็นมีประสิทธิผลที่เห็นจริงเป็นจริงๆริงนะวันอยู่ในโลกนี้ปฏิบัติทําไปแล้วก็จะมีความจริงพวกนี้อยู่ในตัวบุคคลเกิดจริงเป็นจริงตามอินทรีย์พระอินทรีรห้าพละห้าศรัทธาสัจสัจทินสีศรัทธาพระหรือเกิดมีวิริยะวิริยินสีวิริยะพละมีสติสตินสีสติพระหรือมีสมาธิ สมาธิสีสมาธิพละจนกระทั่งถึงปัญญินปัญญาปัญญสีปัญญาพละนะนมีอินสีห้าพละห้านี้มีเนื้อหาสาระในตัวของมันจริงๆความเชื่อหรือศรัทธาก็มีจริงเป็นคุณภาพเป็นประสิทธิภาพสูงไปตามความเป็นจริง่าติอาตมาเคยสาธยายมาหลายในวิริยะอาตมาก็เด่นเน้นก็จริง คนจะมีความเพียรเนี่ยเพียรอย่างขยันมันเพียรยิ่งหมดตัวหมดตนยิ่งไม่เห็นแก่ตัวแก่ตนยิ่งเพียรด้อย่างดียิ่งขยันอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นการที่จะมาไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะต้องเห็นแก่ตัวก่อนฟังดีๆนะตังหลักนะเห็นแก่ตัวยังไงเห็นแก่ตัวก็คือ เราเองเราจะเป็นคนไม่เห็นแก่ต no ัวเพราะฉะนั no ้นเราจะต้องสะสมความไม่เห <Ja. S 1> ็นแก่ต no, no ัวเพราะฉะนั no, ้นจะต้องตะกละความไม่เ no, ห็นแก่ตัว no, นั่น no, ค no, ือคนเห็นแก่ตัวจะต้องโลภเอาความไม่เห็นแก่ตัวให้ได้ฟังให้ไหวนะฟังดีๆเพราะฉะนั้นเจะต้องเห็นแก่ตัวก่อนเห็นแก่ตัวอะไรต้องเห็นแก่ตัวที่จะต้องสละสละสละเห็นแก่ตัวที่จะต้องสละสละ ต้องเอาความรู้เอาต้องเอาความเป็นจริงเอาความสามารถเอาความเป็นไปได้อันนี้ให้ได้แก่ตัวก่อนเราจะต้องเห็นแก่ตัวตรงเที่ต้องขยันภาคเพียรต้องอุตสาหะอดทนต้องเห็นแก่ตัวก่อนคือต้องสละให้ได้